ขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาต่อพระธรรมกะถึกทุกรูปที่ได้ผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรวิชาการเทศนารุ่นที่25ของสำนักวัดประยุรวงศาวาส ความสำเร็จของท่านทั้งหลายมิใช่แต่จะนำความชื่นชมยินดีในส่วนตัวในส่วนตนของท่านทั้งหลายเท่านั้นแต่ยังนำมาซึ่งความภาคภูมิใจความดีใจของคณะผู้ดำเนินการคคอองค์การเผยแผ่ วัดปยุร่วงสาวาสและคณะสงฆ์ที่รับผิดชอบพร้อมทั้งผู้อุปถัมบำรุงมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นต้นและญาติโยมสาธุชนที่มาสนับสนุนกิจการ ดังนั้นวาระนี้จึงเป็นวาระแห่งความปิติยินดีท่านทั้งหลายที่เข้ารับประกาศสนิยบัตก็ขอให้จดจำความรู้สึกแห่งความสำเร็จนี้ไว้เพราะกว่าจะมีวันนี้กว่าจะได้รับประกาศนิยบัต ท่านทั้งหลายต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรด้วยเวลาไม่น้อยกว่า80 80ของเวลาที่กำหนดเป็นการบังคับตนเองมีวินัยในตนเองจากชื่อวัดที่ท่านสังกัด มาจากต่างอารามต่างพระอารามเกือบทั้งหมดบางรูปอยู่ไกลแต่ก็สามารถเข้ารับการอบรมจนสำเร็จตามหลักสูตรนั่นหมายถึงว่าถ้าเราสำเร็จตรงนี้ได้ด้วยความพยายามของเรา มันก็ไม่มีอะไรที่เราพยายามต่อไปแล้วจะไม่ได้ความสําเร็จมันเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตสําเร็จขั้นหนึ่งมักจะนําไปสู่ความสําเร็จขั้นต่อไปสําเร็จในงานหนึ่งก็เป็นพลังให้เกิด การกระทาให้เกิดความสำเร็จในงานต่อไปตรงกันข้ามล้มเหลวในเรื่องหนึ่งมันก็จะทำให้ล้มเหลวหรือสะดุดในเรื่องต่อไปถ้าเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรรับประทานคนเขาจะว่ากันอย่างนั้น และที่สำคัญคือเราบอกตัวเองด้วยว่าถ้าเรื่องนี้ก็ทําไม่สำเร็จแล้วเรื่องอื่นก็ไม่ต้องหวังแต่ถ้าทําเรื่องนี้สำเร็จผ่านการอบรมในหลักสูตรวิชาการเทศนานี้ได้เราก็มีความหวังที่จะก้าวเดินต่อไป ทำให้นึกถึงพุทธศาสนสุภาษิต ท, ที่ว่าวายเมเทวปุริโสยาวะอัฏฐะนิปถาเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนานิพพันณโสพิโนอัฏฐา ขันตายาพิโยนวิชติความปรารถนางดงามเมื่อทำสำเร็จและเพื่อความสำเร็จไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความอดทนนิพนธ์ น, นโสโิโนอัฏฐาอัฏฐะสิ่งที่เรามุ่งหวัง ยังไม่สำเร็จยังต้องทำยังต้องฝึกมันเหนื่อยยังไม่งดงามแต่วันใดที่เราทำสำเร็จได้ประกาศิสียบัติเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยหายเพราะเครื่องหมายแห่งความดียังมีอยู่ประกาศิสียบัตรอาจไม่ได้เอาไปโชว์ใคร แต่บอกกับตัวเองว่าหลักสูตรนักเทศที่ว่าเข้มเข็มยากยากเราผ่านมาแล้วเหลือแต่ไปทดลองใช้ความรู้ใช้วิชาเหล่านั้นแล้วผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นฟันฝ่าอดทนขันแตยาพิโยนวิชติไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า ความอดทนเป็นการสร้างลักษณะนิสัยควรจะยินดีกับตัวเองได้ว่าเราอดทนได้ขนาดนี้แต่วันใดเล่าที่เราจะได้ใช้วิชาฝึกฝนอบรมเป็นนักเทศมาเวทีมันอยู่ที่ไหน การที่เราจะได้โอกาสแสดงออกกับการได้เข้าฝึกฝอนอบรมมันคนละส่วนกันบางคนมีแต่ตั้งคำถามจะได้ใช้เมื่อไหร่มีเวทีให้แสดงหรือไม่เพราะตอบไม่ได้ก็เลยไม่มาฝึกเทศ พระตอบไม่ได้ก็ออกกลางขันคิดผิดเพราะมันคนละส่วนกันการแสวงหาความรู้ประสบการณ์เก็บสะสมไว้เป็นเรื่องหนึ่งโอกาสที่จะแสดงออกเป็นอีกเรื่องหนึ่งสำคัญที่ว่า เราฝึกฝนอบรมเตรียมพร้อมไว้โอกาสมาถึงเมื่อไรก็จะได้แสดงฝีมือดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสัพพังสุตะมทีเยทะเฮนมุกุท ธ, ธมัชิมังความรู้ควรเรียนทุกอย่าง ทั้งชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงสัพพะสะอัตถังชาในายะเรียนอะไรก็ให้รู้ความหมายทั้งหมดคือเรียนให้ทะลุปุโปร่งนะจะสัพพังประโยชน์ยเยแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้ความรู้หรือประสบการณ์นั้นทันที ไม่ได้หมายความว่าเรียนจบปุ๊บเทศปับ๊บโอกาสอาจจะยังมาไม่ถึงแต่ฝึกไว้ก่อนโหติตาทิสโกกาโลยัตถอัถาวหังสุตตังวันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นนำประโยชน์มาให้ท่องสอนตัวเอง เอาไว้วันหนึ่งมันจะถึงเวลาองเจอก็พูดไว้คล้ายๆกันอยาห่วงว่าคนไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่แต่ห่วงว่าสักวันหนึง่งเมื่อคนเขายกย่องท่าน ให้โอกาสท่านท่านมีความเก่งและความสามารถสมกับที่คนเขายกย่องท่านให้โอกาสท่านหรือเปล่าห่วงตรงนี้ไว้เถิดแล้วฝึกฝนกระบวนยุทธฝึกวิทยายุทธเข้าไว้อย่าไปห่วงว่าจะมีเวทีให้เทศหรือไม่ พวงแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อเขาให้ขึ้นเทศมันได้เรื่องหรือเปล่าฝึกฝนอบรมตนเอาไว้ก็จะมีโอกาสเหมือนกับพระรูปหนึ่งอยู่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามวันนี้มีพระวัดหง มารับประกาศเสียบัติด้วยท่านรูปนี้มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชากาลที่สามยุคสร้างวัดปยุร่วงสาวาสนี่แหละท่านมีชื่อว่าสอนฉายาพุทธสโรพระสอนพุทธสโร เป็นชาวจังหวัดพัทธลุงได้รับการอุปถรัรมภ์จากเจ้าเมืองอุปถัมภ์ขณะที่เป็นพระภิกษุส่งเสริมให้เรียนพระปริถิธรรมบาลีเนี่ยแต่ไม่มีโอกาสได้สอบก็มาเรียนเพิ่มเติมที่กรุงเทพ พักอยู่วัดหนังแล้วก็มาเรียนอยู่ที่วัดหงรัตนารามเรียนบาลีจากครูบาอาจารย์ด้วยใจรักแต่เขาไม่เปิดโอกาสให้สอบบาลีสมัยนู้นสอบปากเปล่าที่วัดพระแก้ว ใช้คัมภีร์ไบลานที่เป็นบาลีเนี่ยแล้วแต่จะจับฉลากคัมภีร์ไหนกรรมการเขาเลือกไว้จับฉลากได้ก็แปลให้กรรมการฟังเรียกว่าสอบปากเปล่าไม่ใช่สอบข้อเขียนสอบต่อหน้ากรรมการสิบรูปวิชาแปลอย่างเดียว ตั้งแต่ประโยคสามถึงประโยคเก้าแปลแล้วกรรมการทักแสดงว่าแปลผิดต้องแปลใหม่ทันทีถ้าถูกใจกรรมการก็แปลไปเรื่อยๆจบคัมภีร์ที่จับฉลากเรียกว่าจบหนึ่งผูกหรือหนึ่งประโยคเป็นอย่างนี้ การสอบปากเปล่าในสมัยนั้นมีส่วนดีก็คือได้เผชิญหน้าตรงๆกับกรรมการมีส่วนเสียก็คือต้องดูตัวกันก่อนบุ ค, คลิกไม่ดีเขาไม่ส่งเข้าสอบเพราะว่ากรรมการเห็นแล้วอาจจะบอกว่า ไม่น่าจะได้ตกอีกการสอบการสอบบาลีในยุคนั้นที่สอบปเปล่าจึงต้องมีผู้รับรองเซ็นรับรองพระสอนไม่มีใครรับรองเพราะตัวเล็กเตี้ยแล้วก็ดำ จึงเสียใจชาตินี้จะไม่ได้เป็นมหากะเขาแล้วแต่ความที่ตัวเองเป็นคนรักเรียนบาลีชาตินี้ไม่ได้สอบก็ไม่เป็นไรขอไปอยู่ตามตีนโรงตีนศาลเขาสอบกันที่วัดพระแก้วก็แทรกตัวไปเป็นคนเสิร์ฟน้ำชา เป็นพระเสิร์ฟน้ำชานะกรรมการเสิร์ฟน้ำชาไปน้ำชามากรรมการท่านหนึ่งออกไปจากห้องสอบไปเข้าห้องน้ำได้ยินพระสอนพูดองค์เสิร์ฟน้ำชานะพูดถึงพระ ที่เข้าสอบแล้วถูกทวงแล้วแปลติดว่าถ้าถูกถามแล้วยังแปลไม่ได้ตกแน่ๆองคนี้กรรมการก็เลยสนใจถามว่าคุณแล้วถ้าเป็นคุณน่ะแปลได้เหรือไปไปทวงเขาอย่างนั้นน่ะพระเสิร์ฟน้ำชาที่ไหนมาคอมเมนต์พระสอบ มีปัญญาเหรอท่านก็ตอบว่าแปลอย่างนี้อย่างนี้ถ้าไมจะแปลไม่ได้กรรมการทึ่งเอาแล้วคุณมาเสิร์ฟน้าฉาอยู่ทำไมทำไมไม่สอบพระสอนก็บอกว่าไม่มีคนคำประกันรับรองผมจึงไม่ได้สอบมาจนบัดนี้กรรมการท่านนั้นเมตตา ปีต่อมาเลยเป็นผู้รับรองให้พระสอนจึงได้เข้าสอบโอกาสมาถึงแล้วเตรียมไว้พร้อมเรียนไว้หมดสอบไม่กีกป่ปีได้ประโยคเก้าเพราะฉะนั้นอย่าว่าคนตัวเตี้ยนะเป็นมหาสอนประโยคเก้ารัชการที่สาม มีพระราชถาต่อมาจะได้ตั้งเป็นเจ้าวาดวัดหงรัตนารามตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นเจ้าคุณมีราชทินานามว่าพระอุดมปิดกคลองวัดหงรัตนารามเป็นเจ้าอาวาดรูปที่ห้า อยู่มาอยู่มาสิ้นรัชากาลที่สามขึ้นรัชากาลที่สี่พระท่านเจ้าคุณพระอุดมปิฎกลาออกจากเจ้าอาวาสวัดหงกลับไปอยู่ที่พัทลุงไปเป็นเจ้าอาวาต่างจังหวัดวัดต่างจังหวัดทำไมก็เพราะว่าในสมัยรัชากาลที่สาม มีการตั้งธรรมยุติกานิกายโดยวชิรยานพิขุหัวโจกในการค้านธรรมยุติกานิกายก็คือพระอุดมปิฎกแล้วพระวะชิรยานพิขุมาเป็นรัชากาลที่สี่อาสนร้อนทีนี้กลัวราชภัย หนีไปอยู่พัทธลุงเงียบหายเข้ากลีบเมฆว่ากันเถอะรัชากาลที่สี่คิดถึงแต่พระอุรมปิฎกไม่อยากให้คิดถึงสืบหาทรงให้สืบหาว่าไปอยู่ที่ไหนพอทราบทรงทราบ ก็ให้ราชาการทางวังไปนิมนต์พระอุดมปิฎกมาในงานเฉลิมพระชนมพรรษาราชาการที่สี่โดยเจ้าหน้าที่ก่อนรับภาระในการเดินทางลงเรือมาในงาน ฉเฉลิมพระชนมพันศานั้นสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานพระที่อยู่ท้ายสุดคือพระอุดมปิดกพระบรนณอกรัชาการที่สี่ทรงประเคนทายรร ม, มาเรื่อยๆจนมาถึงรูปสุดท้ายจำได้ ดีพระไทยปลื้มใจวันนี้พระคุณเจ้ามาไกลนะมาถึงวังไม่ได้เจอกันนา น, น, นพระนิมนต์พระขุณเจ้าให้พรโยมสักหน่อยสิขอพรกันดือด้อๆนะ พระอุดมปิฎกไม่ได้นึกไม่ได้ฝันไม่ได้เตรียมการใดๆทั้งสิ้นแล้วอยู่ๆพระเจ้าแผ่นดินทรงขอให้ถวายพระพรพระองค์อย่างกระทันหันท่านเจ้าคุณพระอุดมปิฎกขออนุญาตสมเด็จพระสังฆราชองค์ประธาน แล้วก็ตั้งพัดขึ้นความที่เป็นประโยคเก้ารู้ภาษาบาลีก็ถวายพระพรแบบด้นสดปาฏิ่านลว้ลวนๆตั้งตัวไม่ทันการจะถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเกิดอ่ะก็ถวายให้มีอายุยืนสิอายุยืนเกินร้อยปีภาษาบาลีก็ว่าท่านก็ว่าเป็นภาษาบาลีทันทีอตั้งพัดเจ้าคุณขึ้นแล้วท่านก็ว่าเป็นภาษาบาลีว่าอติเรกะวาสสตังชีวะ ไปต่อไม่ได้นึกไม่ทันซ้สำสะสามครั้งอติเรกวสสะตังชีวะยังไปไม่ได้ก็ต่ออีกอติเรกวสสะตังชีวะประโยคเดียวสามรอบยังมอนอยู่ประโยคที่สองก็ตามมา ทีคาโยโกโหตุอโรคโคหตุไปต่อไม่ได้อีกซ้ำอีกรอบหนึ่งเลยว่าประโยคที่สองซ้ำสองครั้งประโยคแรกสามครั้งประโยคที่สองสองครั้งทีคาโยโกโหตุอาจจะติดอ่างนิดหน่อยนะในสถานการณ์จริง ทีคาโยโกโหตุอโรโคโหตุแปลให้โยมฟังประโยคแรกอติเรกะวัสตังชีวะขอจงทรงมีพระชนเกินร้อยปีประโยคที่สองทีคายยโกโหตุอโรโคโหตุขอทรงมีพระชนยิ่งยืนนานคือทรงพระเจริญ และปราศจากโรคาพาตทั้งปวงประโยคที่สตั้งหลักได้ไปชุดไปฉลุยเลยทีนี้ประโยคที่สองทีคายุโก โ, กโหตุอโรโคโฮตุประโยคที่สสุคิโตโฮตุป ร, รมินทมหาราชาแล้วก็ว่าต่อสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจัง ป a ล l มินธรรมหาราชวรรสะพะวตุสัพพทาขอถวายพระพรราชาการที่สี่สดับแล้วโสมนัสปลื้มพระไทยเป็นอย่างยิ่งพอพระไทยนับจากนั้นก็ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ขอให้พระสงค์ทั้งปวงถวายพระพรพระองค์และพระเจ้าแผ่นดินในแบบที่ท่านเจ้าคุณพระอุดมปิฎกสอนพุทธสโรได้ว่าไวไอตอนแรกตะกุกตะกักสามครั้งก็เอาสามครั้งนั่นแหละสามอีกสองก็เอาตามสองนั่นแหละเปลี่ยนอยู่คำเดียว อติเรกะวัสะสะตังชีวะให้เพิ่มคําว่าชีวะเป็นชีวะตุอติเรกะวัสะสะตังชีวตุอติเรกะวัสะสะตังชีวะตุเท่านี้แหละนอกกนั้นคงเดิมตามที่ท่านเจ้าคุณพระอุดมปิฎกได้ว่าไว้ทั้งสิ้น ท่านเจ้าคุณอุดมไปดกจึงเป็นพระอมตะไม่มีวันตายแม้แต่พระสังฆราชทุกวันนี้ก็ต้องว่าตามคำที่ท่านเริ่มไว้มีพระรูปไหนในประเทศไทยบ้างล่ะที่ได้เกียรติขนาดนี้เป็นชาวพัทลุง วัดหงรัตนารามวัดหงต่อมามีเด็กที่เขาติดกันเทศมาอยู่ที่วัดหงชื่อปั้นได้เป็นเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมนี่เป็นชาวสุพรรณแถมให้หน่อยฉะนั้น โอกาสมีด้วยกันทั้งนั้นโอกาสมีด้วยกันทุกคนเมื่อโอกาสมาถึงท่านพร้อมหรือไม่และเมื่อโอกาสมาถึงท่านจะทำได้ดีอย่างพระอุดมปิฎกหรือไม่ความรู้ควรเรียนทุกอย่าง สัพพังสุตะมะทีเยทะฮีนะมุกุฏธรรมชิมังความรู้ควรเรียนทุกอย่างทั้งชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงคืออุกิตเรียนอะไรก็ให้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นรู้อย่างทะลุโปร่ปรงรู้อะไรรู้ให้จริงเพียงสิ่งเดียว แต่ให้เชี่ยวชานเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสะก่อนถึงคนจนพงไพรคงได้ดีบัดนี้ท่านทั้งหลายได้เรียนวิชาการเทศนาจบตามหลักสูตรแต่จะทะลุปโปรงหรือไม่ยังต้องรอเวลา การศึกษาพุทธพจน์พุทธศาสนสุภาษิต ธ, ธรรมะไม่มีวันจบจนกว่าเราจะเป็นพระเสขะอาเสกขะผู้ไม่ต้องศึกษาเพราะฉะนั้นท่านต้องบอกตัวเองว่านับจากนี้ท่านจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนี่เป็นชั้นต้นเราต้องเรียนชั้นกลางชั้นสูง วัดปยุรวงสาวาดเปิดชั้นกลางอีกนะหลักสูตรหนึ่งปีนะรับไม่เกินห้าสิบรูปเรียนหนึ่งปีมีโอกาสก็มาเรียนเรียนชั้นสูงต่อไปและมีโอกาสก็ได้ใช้ความรู้นั้นสร้างผลงานหลวงพ่อปัญญานันทะพิกขุ กล่าวไว้ว่าคนสร้างงานงานก็สร้างคนท่านทำงานเผยแผ่ผลแห่งการเผยแผ่ก็สร้างท่านท่านจะคุณพระอุดมปิดกฝากผลงานเอาไว้ในการถวายพระพรและทุกวันนี้งานที่ท่านฝากเอาไว้ ก็สร้างท่านให้เป็นที่จดจำกันนานแสนนานเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจา์ G, จีเจ้าวารูปที่สามเป็นนักเทศลีลาสาริกาป้อนเหยื่อของสำนักวัดปรยระรงสาวาทท่านฝากงานเอาไว้จนบัดนี้เราก็ยังจดจำผลงานของท่าน และสืบสารปาณิธานงานของท่านในสำนักวัดปยโรงสาวาท ด, ด้วยการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเยื่อมาจนปัจจุบันจึงหวังว่าท่านทั้งหลายเรียนจบไปจากสำนักนี้ก็จะได้สร้างชื่อสร้างผลงาน ทำให้นึกถึงคำที่ครูเขาบอกนักเรียนเขาบอกนักเรียนว่าพ่อแม่หวังพึ่งผ่าเจ้าครูเล่าหวังให้สร้างชื่อชาติหวังกำลังฝึกปรือเจ้าคือความหวังทั้งปวงท่านทั้งหลายเป็นความหวัง เป็นความหวังของพระศาสนาที่จะด้วยได้ช่วยกันสืบทอดสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยการเผยแผ่ธรรมะถ้าพระไม่สั่งสอนไม่อบรมชาวบ้านจะรู้ธรรมะได้อย่างไรที่สำนัก ง, งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ดีญาติโยมทั้งหลายมาอุปถัมภ์พวกเราก็ดี ในหลักสูตรนี้เพราะมีความหวังความหวังว่าท่านจะเป็นกระบอกเสียงเป็นธรรมโคศกประกาศธรรมต่อไปองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสมีท่านจะคุณพระเทพปฏิพานมูนีเป็นต้นยอมเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยอยากเพราะความหวังนี้หวังที่จะเห็นท่านทั้งหลาย นำเทียนแห่งแสงธรรมซึ่งจุดต่ อ, ต, อต่อจากพวกเราไปมอบแสงสว่างนี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปจะกี่คนจะมากจะน้อยคนไม่สำคัญที่ฝั่งท่านแต่เมื่อท่านได้จุดเทียนจากเราไป ต่อแสงเทียนนี้ให้กับคนอื่นเมื่อใดเมื่อนั้นแสงธรรมก็จะโชตช่วงกระจายไปทั่วพิภพนี้ด้วยความหวังนี้เราจึงทำงานนี้และด้วยความหวังนี้ทุกฝ่ายจึงอุปถัมบำรุงและด้วยตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบ่อพิษทรงมีความหวังจากพระสงฆ์ที่จะได้ให้มีการศึกษาเล่าเรียนธรรมะทรงตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงให้พระได้เรียนพระปรติธรรม ทรงตั้งกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็หวังว่าพระสงฆ์จะด้วยช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาบัดนี้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัยแล้วสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ยังสืบสารพระราชปณนิทานนี้มาจน รัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันการที่เราทั้งปวงได้ทำนั้นถือว่าเป็นการสนองพระองค์ท่านถือว่าเป็นการรับพระราโชบายมาปฏิบัติเพื่อให้แสงธรรมนั้นขจรขาจายไป เราได้ทำหน้าที่ของพุทธบุตรในการฝึกอบรมวิชาการเทศนาเราได้ทำหน้าที่ของพระสนิกอนด้วยการสืบสารพระราชบณิธานของพระองค์ท่านและทุกรูปทุกท่านจงภูมิใจว่าเราได้ทำอย่างชัดเจนในการเข้าศึกษา จนจบหลักสูตรวิชาการเทศนาในรุ่นที่ถวายเป็นพระราช ก, กุสรแด่พระองค์ท่านให้บอกกับตัวเองว่ามิใช่แต่ความรู้และประสบการณ์ที่เราได้เท่านั้นแต่เราจะนำความรู้และประสบการณ์นี้ไปเผยแผ่พระศาสนาเชิงรุก เพื่อที่จะสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไปจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเราต้องบอกกับตัวเองอย่างนั้นและนั่นก็ทำให้เกิดคุณค่าแก่ผู้จบการศึกษาวิชาการเทศนาในหลักสูตรนี้และจะเป็นพลังขับเคลื่อนผลักดันเปลี่ยนแปลง การทำงานเผยแผ่ของพวกเราต่อไปฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ด, ด้วยการอ้างคุณพระศีรัตนไตรยัยและบุญกุศลอันเกิดจากธรรมทานทั้งปวง ซึ่งพระพุทธองค์สันเสริญว่าชนะทานทั้งหลายนั้นขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อทรงโปรดอนุโมทนาบุญ เพิ่มพระบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารบของเราท่านทั้งหลายทุกประการอันหนึ่งของอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและมหากุศลนี้จงมาเป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยัวรางกูลขอทรงพร ะ, กะเกษมสำราญเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการสถิตในมหิสวรรค์เป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าพระศกนิกรชาวไทยตลอด จิรัติติการเทิน